ฉันคือลูกของพระเจ้าผู้ซึ่งสูงส่งที่สุดกว่าผู้ที่สูงส่งใดๆผู้ซึ่งอ่อนหวานที่สุดผู้ซึ่งคงความบริสุทธิ์เสมอมาเต็มไปด้วยความหมดจดงดงาม ผู้ซึ่งมีพลังทั้งปวงผู้ซึ่งมีแต่ความแม่ตาปราณีและให้คุณประโยชน์เต็มไปด้วยความรักไร้ขีดจำกัดสม่ำเสมอไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว ไรซึ่งตัวตนไรซึ่งความหลงทน o n ตนผู้ซึ่งปลดปล่อยทุกคนออกจากความทุกข์และประทานความสุขแก่ทุกคนท่านได้มาเพื่อฉันเพื่อปลดปล่อยฉันจากความทุกข์ จากความเป็นลบจากความเขลาและความไม่รู้เพื่อยกระดับชั้นและทำให้ฉั้นบริสุทธิ์งดงามทำให้ฉั้นหวนคืนสู่สัจจะและพลัง เป็นผู้ที่ให้คุณประโยชน์ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่อิ่มเต็มบริบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมพระเจ้ายอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็น ไม่ว่าฉันจะเป็นเช่นไรท่านก็รักฉันเข้าใจฉันและช่วยให้ฉันเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้กลับมาถูกต้องความรักของท่านนั้นจริงแท้ไม่มีเงื่อนไข และสม่ำเสมอพระเจ้าตัวท่านเองได้กลายมาเป็นครูของฉันท่านสอนฉันเกี่ยวกับความลับต่างๆทั้งหมดของชีวิตเกี่ยวกับตัวฉันเองผู้สร้าง และสิ่งสร้างเกี่ยวกับเหตุผลของความสุขและความทุกข์กดทางจิตวิญญาณของชีวิตท่านสอนให้ฉันรู้ว่าจะกลับมาจริงแท้ได้อย่างไรจะกลับมารัก และยอมรับตนเองได้อย่างไรยอมรับผู้อื่นและละครได้อย่างไรท่านได้กลายเป็นโลกของฉันเมื่อฉันมองผ่านดวงตาของท่านและท่าน มองผ่านดวงตาของฉันฉันสามารถมองเห็นตนเองเห็นผู้อื่นและเห็นโลกด้วยสายตาของท่านบ้านของฉันอยู่ในหัวใจของพระเจ้า และท่านอยู่ในหัวใจของฉันฉันปลอดภัยฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองและหล่อเลี้ยงด้วยความรักของท่านและความรักของฉันนั้นเป็นไปกับท่านเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดอยู่ในหัวใจของฉันฉันมีสิทธิ์ต่อท่านท่านเป็นของฉันและฉันเป็นของท่านสมบัติต่างๆของท่านนั้นไม่มีขีดจำกัด เต็มไปด้วยคุณค่าจริงแท้ท่านคือดวงวิญญาณที่ปราศจากความเห็นแก่ตนเองผู้ซึ่งเต็มไปด้วยทุกพลังทุกคุณธรรมและทุกความสัมพันธ์ ท่านคือจิตใจที่บริสุทธิ์กระจางล้ำลึกทรงพลังเป็นบวกและสร้างสรรค์อยู่เสมอท่านคือสติปัญญา ที่เต็มไปด้วยสัจจะและความรักทรงปัญญาและกระจ่างชัดเจนเต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับล้ำลึกและทรงพลัง สามารถมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตพระเจ้าตัวท่านเองได้กลายเป็นผู้นำทางของฉันท่านนำทางฉันไปสู่อิสรภาพที่แท้จริง ท่ามกลางป่าแห่งความหลอกลวงและมายาภาพจากความทุกข์สู่ความสุขจากความไม่สงบสู่ความสงบจากการปฏิเสธสู่การยอมรับจากความมีขีดจำกัด สู่ความไม่มีขีดจำกัดจากการมีตนเองเป็นศูนย์กลางสู่การปราศจากตัวตนและการมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางพระเจ้าได้กลายเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงในทางปฏิบัติของฉันท่าน ช่วยให้ฉันเห็นความถูกต้องจากสิ่งที่พลาดผิดช่วยให้ฉันนำสัจจะและความงามของฉันกลับคืนมาอีกครั้งให้ฉันเป็นผู้ที่เมตตาและให้คุณประโยชน์ท่านช่วยให้ฉันทำความสะอาดขยะต่างๆ ที่ฉันได้สร้างขึ้นและสะสมมาหลายต่อหลายชาติเกิดท่านช่วยให้ฉันหลุดออกจากบ่วงพันธะและเปลี่ยนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับตนเองกับท่านและกับโลกนี้ เพื่อเป็นแม่ที่แท้จริงให้กับเด็กน้อยภายในของฉันเพื่อเป็นอิสระจากขีดจำกัดทั้งหมดและทำให้หัวใจของฉันนั้นไม่มีขีดจำกัดพระเจ้าทำให้ฉันสามารถกลายเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงของท่าน เป็นเครื่องมือที่จะสร้างโลกใหม่แห่งความสงบความสุขและความจริงแท้ฉันมีหัวใจที่เปิดออกหัวใจที่กว้างใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์และเต็มไปด้วยปัญญา ฉันคือสิ่งสร้างของพระเจ้าที่เกิดจากความรักและปัญญาของท่านท่านสร้างฉันจากภาพลักษณ์ของท่านเปรียบสายใยดังสายสะดือที่เชื่อมโยงฉันไว้กับพระเจ้าที่ให้สารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง และให้ออกซิเจนกับฉันเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นเทพที่เป็นอิสระและงดงามจนกว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้ฉันดำรงอยู่ ในคันแห่งความรักและการปกป้องของท่านอมชันติ